ซึ่งพากันตั้งใจตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เนื่องจากเวลานี้เป็นเวลาที่มารวมกันอยู่ที่ศาลาการเรียนนี้เพื่อที่จะฝึก กายฝึกจิตนี้ให้สงบระงับกายก่อนั่งนิ่งนิ่งไม่ไหวติงเดิมาให้ง่วงเหงาหานอนเมื่อกายนิ่งได้ยังจิตใจก็ทำจิตให้นิ่งต่อไป พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังแปลว่าสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีมันดาความสุขในโลกมีอยู่เช่นผลไม้สุขมันก็มีรสหวานดี เต่มันก็หวานชั่วระยะปลายลิ้นเท่านั้นแหละเมื่อผ่านลงไปสู่กระเพาะแล้วความหวานนั้นก็หายไปความสุขอันเกิดจากการกินอาหารอิ่มน้ำสำราญการได้นอนหลับสนิทสบายดีการมีเงินใช้สอย ไม่ขัดสนมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆครบตามกระบวนการของโลกสมัยปัจจุบันอ้หมู่นี้มันก็เป็นความสุขทั่วคราวทางนั้นแหละบุคคลมาติดอยู่ในความสุขเหล่านี้แหละจิ่งพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้ ทุกเหล่านี้เป็นเหยื่อร่อให้ติดอยู่ในทุก์ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้เพิ่งเข้าใจกันเหตุดังนั้นเนะี่ยการฝึกการอบรมกันจึงต้องฝึกให้ตื่นดึกลุกเช้าต้องให้ทำ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 หมดมันจะตายมากูปับมันเอาไปเลยก็มีชีวิตนี้เนะี่ยมันฝากไว้กับความตายไม่ใช่เป็นของเราอะไรจริงจังนะดวงจิตที่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองชั่วระยะบุญกรรมที่อุปถัมภ์บำรุงอยู่เท่านั้น เมื่อหมดบุญหมดกรรมอันนี้ลงไปแล้วรูปร่างอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยดังนั้นผู้มีปัญญาทางหลายท่านจึงไม่นิ่งนอนใจจึงรีบเร่งทำความเพียรละกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภายในสงสารเนี่ยไม่รู้จักจบจักสิน้นจึงเพียรละ ความโลภด้วยการให้การบริจาคทานเพียรละความโกโรธด้วยการเจริญเมตตากรุณาเสมอๆจนว่าจิตใจมองเห็นสัตว์ทั้งหลายนี่นะวอาเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ควรที่จะไปเบียดเบียนมันหรือเขาเจริญเมตตานะจนให้มองเห็น สัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างว่านั่นแหละแลาวมันก็จะได้งดเว้นจากการเบียดเบียนก็สมทานมั่นในศีลได้อย่างมั่นคงถ้าไม่มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมนี้แล้วศีลก็รักษาให้บริสุทธิ์ไม่ได้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 แต่คนเรามันไม่รู้หรอกว่ากรรมเวรอันนั้นมันติดตัวไปเหตุทางนั้นเนี่ยมันถึงไม่ยอมปฏิบัติตามคําสอนมันจะไม่ห้ามจิตใจตัวเองเวลามันอยากโกรธขึ้นมามันก็ปล่อยให้มันโกรธซะเต็มที่เท่า น, นี้แล้วมันจะไม่ให้กรรมเวรติดตามไป สนองให้เป็นทุกข์อย่างไรได้เราถ้าตัวเองไปสร้างครรมสร้างเวรขึ้นให้แก่ตัวเอง <c oughs> ดังนั้นนะ่ะจึงควรทีนิษพิจารณาให้เห็นคุณนานุภาพแห่งข้อปฏิบัติเหล่านี้ด้วยตนเอง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 เพราะว่าชีวิตของมนุษย์เรานี่มันอยู่ด้วยกับเนื้อสัตว์ถ้าไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์แล้วมันจะอยู่ไม่ได้ไอ้ของมือนเมาต่างๆมีสุราเมลัยหมนี่ก็เป็นของประดับโลกถ้าไม่มีน้ำพันนี้คนเราก็ง่อยเหงา เศ้าใจหาความสุขสบายไม่ได้เมื่อมีน้ำพันนี้หล่อเลี้ยงเข้าไปแล้วมีความสนุกสนานลื่นเรืองบันเทิงใจดี <c oughs> หรือว่าได้ไปเล่นชู้กับเมียของคนอื่นหรือผัวคนอื่นหมู่นี้เห็นว่ามันเป็นเรื่องสนุกสนานที่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 ก็รักชีวิตของตัวเองไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนเลยอย่าว่าจะ ต, ตกตีเลยแม่แต่ด่าว่าด้วยวาจาก็เจ็บใจเต็มทีอยู่แล้วไอ <c oughs> ้อย่างนีนะ้เพราะฉะนั้นผูใ้ใดไปเบียดเบียบนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็จึงชื่อว่าเป็นผู้เอาเปรียบ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 เหตุในปัจจุบันต่างคนต่างไม่มีศีลไม่สำรวมกายวาจาพูดกระทบกระทั่งกันเข้าแสดงกิริยาหลบาบหยาบลายต่อ ก, กันและกันประกอบกับ ก, บก ร, รมเก่าที่ได้ทํามาแต่ก่อนนั่นเคยได้เบียดเบียนกันมามันก็มาหนุนซ่งให้มีความโกรธความัยบบาทขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ยก็ได้ลงมือประหัตประหารกัน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 ก็คงไปฆ่าเขามาแต่ก่อนนะนั่ น, นะกรรมนั้นก็ติดสอย่อยตามมามาถึงในชาตินี้มันถึงเวลามันให้ผลเวลาใดมันก็โดนบรรดาให้คนเอ่ยเขามาฆ่าตัวเองตายเสียก็เป็นอยู่อย่างนี้เรื่องบุคคลพู้ไม่มีศีลน่ะไม่สำรวมในศีลแล้วมันก็มีาการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน แต่อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายัางตรัสว่าอภยาปชังสุขขังโลเกปานภูเตสุสัญยโมความสำรวมในสัตว์คือความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นสุขในโลกสุข้าวิราคตาโลเกกามานาังสมติกะโม ความสิ้นไปแห่งราคะคือความร่วงกามเสียได้เป็นสุขในโลกนี่พูดถึงความสุขที่พระบรมศาสตราทรงตรัสไว้เนะให้พิจารณาดูพราะองค์เจ้าทรงสรรเสริญว่าบุคคลผู้ใดไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นนะ ผู้นั้นย่อมเป็นสุขสบายมากแม้ยังจะไปเกิดในภพด้อยภพใหญ่ต่อไปมันก็ไม่มีกรรมชั่วเวนชั่วติดตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปเกิดชาติใดก็มีอายุยืนยาวนานไปจนตลอดถึงอายุไขจึงค่อยตายเพราะไม่มีกรรมชั่วมาตัดรอนชีวิตในระหว่าง ให บ, บคุคคลผู้ภาคเปลียนเมื่ยามละความกำหนัดยินดีให้เบาบางออกไปจากกิจใจได้เท่าไรความไม่ผัวพันในกรรมมาคุณหรือว่ากิเลสตะกามนีม่กิเลสตะกามได้แก่เรื่องผัวผวเมียเมียนั่นเนี่ยกรรมมาคุณทั้งห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆโมนี้่ ผู้ใดเอากายออกห่างเอาใจออกห่างเอาวาจาออกห่างได้ผู้นั้นเป็นสุขในโลกพระศาสดาทรงตรัสวยนะก็เป็นความจริงเะยจะไม่จริงอย่างไรอ่ะบุคคลผู้ละราคะความกำหนัดยินดีได้โทสะก็ไม่เกิดโมหะความหลงก็ไม่เกิด เพราะความกำนาจยินดีเนี่ยทำให้คนเราหลงมัวเมาไปในทางที่ผิดสินผิดธรรมทำให้เกิดการแย่งชิงกันโกรธกันประหัสประหารกันมู่นี่มันก็ล้วนแต่เกิดจากราคะความกำนัดยินดีนี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้น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 ในทางจิตใจโดย ก, การทั้งพวงกายก็ไม่แสดงมายาสาไถในเชิงรักเชิงใคลการพูดจาภาษาอะไรก็ไม่แสดงบทมายาสาไถออกไปต่อเพศตรงกันข้ามภายในจิตใจก็สำรวมระวังอย่าให้ความกำนัดครอบงำจิตใจได้ โดยมาพิจารณาเห็นร่างกายทุกกระเบียดนิ้วนวนแต่เป็นของไม่มีอะไรสวยงามอาศัยหนังหุ้มห่ออยู่เท่านั้นเองจึงสิ่งทโถโคกยังไม่ปรากฏออกมาถ้าสมมติว่าลอกหนังนี่ออกลองดูสิหน้าดูเหอรอรูปร่างอันเนี้ยไม่มีอะไรหน้าดูสักหน่อยเดียวเลย มันพอหน้าดูอยู่ได้เนี่ยอาศัยหนังหุ้มอยู่เท่านั้นเองนะแล้วก็มีเลือดวิ่งผ่านตามเนื้อตามหนังอันนี้นหะทำให้เกิดผิวพันเปล่งฟังขึ้นมาเห็นเข้าแล้วก็ชอบใจที่แท้สีของเลือดต่างหากเลือดมันวิ่งไปตามร่างกายนี้นะ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 เข้าไปแล้วผิวพัน์ก็สูส้ซีดไม่เปล่งปลังเลยกำลังวังช้าในกอดลดน้อยถอยเบาบางไปผู้คนผู้เนั้นน่ะไม่น่าดูเลยไม่น่าปรารถนาเนี่อย่างนี้แหละลองพิจารณาดูถ้าผู้ใดมาเพ่งพิจารณาร่างกายสังขาร ให้เห็นตามสภาพความจริงอย่างว่ามานี่ถ้าเป็นนักบวชก็คลายความคามหนัดยินดีออกไปเลยเอยไม่ต้องการไม่ปรารถนามันผู้ใดเห็นร่างกายสังขานตามความเป็นจริงอยู่เสมอเสมอไปผู้นั้นย่อมประพฤติพรหมจรรย์ ไปได้ตลอดลอดฟังถึงแม้ยังจะไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรแต่ความรู้สึกในใจนั่นนะไม่ฝาธนาในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเลยเพราะมองเห็นแล้วไม่มีสิ้นส่วนตรงไหนที่ว่าสวยงามหรือว่าเที่ยงย่างยืนไม่มีเลย เป็นนักบวชต้องบำรุงความรู้ความเห็นนักกล่าวมานี่นหละให้เกิดให้มีขึ้นในใจอยู่เสมอเสมอไปอย่าไปมองเห็นตามความนิยมสมมติของชาวโลกชาวโลกผู้ที่หมกมุ่นอยู่ด้วยราคะตัณหามันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นแหละ ว่ารูปด้านสวยงานดีรูปนี้ขี้้ล่เสียงนั่นไพเราะดีเสียงนี้ไม่ไพเราะอะไรทำนองนี้มันก็เลือกคัดจัดฉันกันไปอย่างนั้นตามความนิยมสมมติของโลกแต่แล้วทั้งรูปสวยและรูปไม่สวยเมื่อพูดถึงความจริงแล้วมันก็มีสภาวะอันเดียวกัน ถือมันเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปวนแตกดัแบบทำลายลงเหมือนกันหมดเลยไม่มีไม่มีรูปใดที่จะสวยสดงดงามีตลอดเวลาที่จะเที่ยงยั่งยืนอยู่ตลอดเวลาไม่มีเลยนี่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 เมื่อกำหนดยินดีมาก็สแสวงหามันไปไม่มีวินัยห้ามส่วนเป็นกหัวไม่มีวินัยห้ามเลยแม้แต่คิดในใจก็ปรับอาบัตได้เช่นไปคิดสรรเสริญรูปร่างของเพศตรงกันข้ามว่าตั้งแต่มันเอวขึ้นไปนั่น ว่าตรงนั้นสวยตรงนี้งามอะไรต่ออะไรขึ้นมาเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นปรับอาบัตุนลใจอ่ะ <c oughs> ตั้งแต่บันเอวลงไปปรับอาบัตุกดกเป็นพปงั้นนะอย่าไปเข้าใจว่าอาบัตทางใจไม่มีมีอยู่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 นั้นอย่างเต้งครัดเราจึงจะพ้นจากนรกอบายภูมินี่ก็ต้องสอนตนเข้าไปอย่างนี้น่ะเป็นครือหัดก็ดีไม่ใช่ว่าเป็นครือขัดแล้วเราจะทำอะไรก็ทำได้ไม่เหมือนนักบวชไม่ใช่อย่างนั้นนี้มันต้องเลือกทำเพราะว่าของในโลกอันนี้น่ะลองสังเกตดู มีทั้งของดีมีทั้งของเลวไม่ใช่ว่าดีทั้งหมดไม่ใช่เลวทั้งหมดผลเตกันอยู่นั้นเลยทั้งสองอย่างเนี้ยอันนี้ทัานใดก็อย่างนั้นแหละความประพฤติของคนเราเนี่ยมันมีใจเป็นประธานข้าใดใจเป็นอกุศล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 มันเป็นอย่างนี้อชีวิตของคนเรานี่นะหรือว่าพูดถึงดวงคิดโดยตรงมันมีทั้งดีมีทั้งชั่วอยู่ในดวงคิดอันเนี้ยดังนั้นนะ่ะพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ภาวนาคัดเลือกอารมณ์ของคิดเนี่ยอันใดที่เป็นความคิดความหม็นเป็นไปทางบาปอกุศลแล้ว กำหนดละทิ้งไปเลยไม่คิดไม่ปรุงแต่งมันต่อไปหรือว่าความคิดอันใดมันเป็นไปเพื่อความรักความใคร่ความโกรธความมายาบัตต่างๆหมดนี้นะ<ช>เป็นความคิดที่เป็นอกุศลเรา้องพยายามกำหนดใจละเลยไปแล้วก็ไม่สร้างมันขึ้นมาต่อไปอีก ความคิดอันใดซึ่งประกอบไปด้วยเมตตากรุณาคิดช่วยเหลือเกือ้อกูล <c oughs> ตนเองด้วยผู้อื่นด้วยให้พ้นจากทุกข์จากภัยในสงสารไม่คิดล้างผลาญเบียดเบียนใครในอย่างนี้เป็นความคิดที่เป็นกุศลเดี๋ยวคิดอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> เป็นความดาริที่ว่าทำชะในหนอเราถึงจะพ้นจากอํานาจแห่งการ ม, มาตัญหาอันนี้ไปได้ออทําชไในหนอเราจึงจะพ้นจากลูก ป, ปัตัญหาต่างๆโมเนีะดำริเข้าไปเพราะลูกกายอันนี้น่ะมันเป็นของไม่เที่ยงถ้าจิตยังผูกพันมันอยู่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 พอมาอาศัยอยู่ในของไม่เพียงนี่นหละต้องเพ่งพิณาดูรูป ก, กายอันนี้ให้จนเกิดทิพทากวามเบื่อหน่ายเพราะองค์ทรงสั่งสอนให้คนเรานั่นเกิดทิพทาความเบื่อหน่ไม่ได้ทรงสั่งสอนให้พอใจยินดีอยู่ในโลกอันนี้ให้เข้าใจความหมายแห่งคำสอน ถ้าบุคคลไม่เบื่อไม่นายตราบใดแล้วผู้นั้นก็พ้นจากทุกไปไม่ได้ต้องเที่ยวมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้แหละเที่ยวมาหวงสมบัติในโลกอันเนี้ยหวงไว้แล้วแต่เอาติดตัวไปไม่ได้มันเป็นความหลงของดวงจิตต่างหากหวงในสิ่งที่ไม่เที่ยงหวงแหนในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวของตน อย่างนี้นะมันเป็นความหลงจริงๆนะอนนลองพิจารณาดูอ่ะ <c> เ <oughs> วเมื่อตายลงอันนี้ตนก็ไม่ได้เอาติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวอย่าว่าแต่สมบติภายนอกเลยแต่ร่างกายทุกกระเบียดนิ้วก็ไม่ได้ติดตัวไปแล้อย่างนี้อ่ะได้ทำไมถึงมาหลงกันทั้งนา ทำไมจึงเมากันเกินประมาณก็ควรมีสติเตือนใจตนเองเสมอไปก็เมื่อความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้นะทำไมแล้วเราถึงไม่เบื่อใดไอ้ที่มันไม่เบื่อใดนันะ่นก็เพราะว่ามันมันไม่ละราคะความกำหนัดยินดีนี่ กิเลสตัวเนี้ยสําคัญมากนะปล่อยให้ราคะครอบงำจิตใจเกิดความกําหนัดยินดีอย่างแรงเมื่อมันกําหนัดยินดีมากเข้าไปแล้วมันก็เห็นของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามไปมันก็เห็นว่า ข, ของไม่เที่ยงไม่อย่งยืนมันก็เห็นว่ามันเป็นของเที่ยงอย่างยืนไป นั่นเมื่อราคะมันยอมใจหนาแน่นเข้าไปแล้วมันเห็นขาวเป็นดําเห็นดําเป็นขาวไปอย่างนี้น ะ, ะเพราะฉะนั้นเน่ยมันถึงได้ติดถึงได้คล้องอยู่เนี่ยถ้าผูใ้ใดบรรเทาราคะตัณหานี่ลงไปออกไปจากขิตใจเราอย่างนี้มันจะมองเห็นรูปเห็นนามต่างๆหมดนี้ไม่น่ารักหน่าใคร่น่าพอใจอะไรเลย เพราะว่ามองไปตรงไหนก็มีแต่ของไม่เที่ยง <c oughs> ถ้าขาดการประดับตกแต่งซะแล้วอย่างนี้ยิ่งขี้ร่ายเลยยิ่งมมนมีอะไรสวยงามอันพอสวยงามพอดูได้อยู่เพราะอาศัยการประดับตกแต่งเท <c oughs> ่านั้นเองนะ พอเห็นเขาประดับตกแต่งเครื่องประดับอะไรต่ออะไรเข้าไปแผลวาวเข้าไปแล้วเอาแล้วเห็นเขาแล้วแม่สวยจังเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาแล้วก็อย่างนี้แหละคนหลงอ่ะพิจารณาเอาแม่ตัวเองเป็นอย่างนั้นตัวเองก็เป็นคนหลงหลงในของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยง หลงในของไม่สวยไม่งาม ing, บอกเป็นของสวยของงามเมื can <c oughs> <c oughs> <CHUCK |ko|> ่อเราเพ่งที่หนาดูด้วยปัญญาแล้วมันไม่เห็นมีตรงไหนน่ารักน่าใครน่ายินดีพอใจเครื่องประดับต่างๆหมเนี่มันก็เป็นธาตุดินมันจะมีอะไรเนาะ <c oughs> แก้วแหวนทับทิมมบอะไรที่เขาว่าเป็นของมีค่ามหาศาลหมดนั้นที่จริงก็ธาตุดินนั่นแหละแต่มันเป็นธาตุอันปณีตเท่านั้นเองนะอยากจว่าเอามาจากที่ไหนอะ <c oughs> ทองคำธรรมชาติหมนนั้นนะ มันก็ธาตุดีแต่มันเป็นธาตุอันประนีตเท่านั้นดอกเราพิจารณาอะไรมันลงไปถึงความจริงทุกอย่างแล้วอย่างนี้มันก็ทำให้คลายความกำหนัดยินดีลงไปได้ไม่หมดก็เรียกว่าเบาบางลงไปจา ก, กจิตใจโดยแท้จริง ไม่ควรยิงนอนใจเพราะว่าทุกคนตกเป็นธาตแห่งราคะตัณหานี่มานับชาติไปทวนแล้วก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้เลยเกิดมาในชาตินี้ก็ยังจะมายอมทนเป็นธาตแห่งราคะตัณหาอีกนี่แหล่นะนี่มันก็บังคับให้ทำงานกรำฝนทนแดดหาเงินหาทอง สร้างบ้านสร้างเรือนบางคนบุญน้อยเลยสร้างบ้านอันถาวร อ, อยู่ตัวเองก็ไม่ได้ไน้อยู่กระท่อมกระแทมไปหากินอย่างแสนยากแสนลำบากนี่แหละโทษแห่งราคะตัณหาเนะี่ยพิจารณาดูไม่ได้สร้างบุญกุศลอะไร บางคนนะบุญน้อยมัวจะไปทำมาหากินทางดทำการทำงานวันไหนแล้วออก็อดแล้ววันต่อไป อ, อดแล้วเนี่ยบุคคลพวกนั้นได้ชื่อว่าเกิดมาเสียเปล่าเกิดมาแล้วไม่ได้สร้างบุญกุศลความดีอะไรมัวเมาประมาทตกเป็นชาติแห่งราคะตัณหาอืม ในสังเกตดูสิผู้กองเรือนน่ะโอกาสที่มันจะได้ทำความดีมันมีน้อยเต็มทีจิตใจก็มีแต่ฝักไปอยู่แต่นี้ความได้ความเสียวิตกวิจารณ์อยู่แต่ความรวยความจนคนรวยก็วิตกกลัวว่าสมบัติอันมหาศาลนี่มันจะสูญเสียไปก็วิตกวิจาร์อยู่งั้นเนี่ย อา้าวคนจนก่าวิตกวิจารอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเหล่านี้น่ะจนเอาเสียจริงจริงชีวิตนี่นับว่าน้อยเต็มทีนึกเท่าไหร่ก็น้อยเนื้อต่ำใจลงไปบางคนก็ยิงลูกตายหมดแล้วก็ยิงตัวตาย หนีจากโลกอันนี้ไปเสียอนั่นนะโทษแห่งราคะตัณหาเขาลงสือพิมพ์มาบ่อยๆอยู่แต่เพราะมันจนกรอบมันไม่มีอันจะ ก, กินคนอัดอั้นตันบัญญาคนมีบุญน้อยฆ่าตัวเองฆ่าผู้อื่นไม่ใช่เป็นของสนุกสบายอะไรเป็นกรรมเป็นเวนตรติดตัวไป เกิดไปชาติหน้าก็ไปฆ่าตัวเองตายอีกอยู่นั่นแหละเนี่ยโทษแห่งราคาตัญหานะปกรณ์พิจารณาดูให้ดีผู้ดใดไม่เป็นธาตุแห่งราคาตัญหาแล้วก็ยังชั่วน้อย <c oughs> <c oughs> เช่นไม่เป็นคนเจ้าชู้หลายใจอย่างนี้นะมีผัวเดียวเมียเดียวแล้วก้มหน้าทําการทํางาน ไม่บำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุรานักเลงเล่นการพานันไม่ไปเที่ยวคบคนชั่วเป็นมิตรตั้งหน้าทำการทำงานที่ตนทำนาญนในหน้าที่การงานนั้นนั้นมันก็พอมีเงินทองเข้าของพอมาเลี้ยงตัวและครอบครัวได้ คนไม่มัวเมาในราค่าตัณหาเคิร์ขอบเขตสนเพียงั้นเมื่อมีเงินมีทองเข้าของเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เหลือใช้เหลือใจมันก็ได้ทำบุญํำทานได้รักษาศีลได้เข้าวัดได้สนุกบำลุงวัดวาศาสานาก็เป็นบุญบา ร, รมีติดสอยห้อยตามไปสะสมบุญบา ร, รมี เรื่อยไปเกิดมาชาตินึงหนึงไอ้คนไม่หลงไม่เมาน่ยเป็นงั้นเกิดมาชาติชาติหนึงหนึ่งก็มาสะสมบุญบารมีให้เต็มความสามารถแล้วตายไปบุญกุศลนั่งกระนาให้ไปเกิดในที่สุขสบายต่อไปไอ้คนมัวเมาประมาทแล้วอย่างว่านั่นเนี่ตนทุกข์จนหนุนโลกยิ่งไม่ทําความดี นิ่งไม่ทำบุญทำทานอ้างจะว่าตนคนทุกตนยากจนอยู่อย่างนั้นเลยไม่ได้ทำบุญทำทานเลยชีวิตในชาตินั้นก็เป็นโมฆะหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยตายไปเสียเปล่าๆนี่นี่แหละชีวิตของุคนผู้มัวเมาประมาทมีแต่ตกต่ำเรื่อยไปดังแสดงมา